ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและในพระอริยสงสาวกว่าเป็นผู้ที่ ส่งพระคุณอ น, นประเสริฐเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมาวัดเพื่อมาเปลี่ยนศรัทธาให้เป็นความจริงเพราะศรัทธาความเชื่อนี้ยังเป็นการจินตนาการ คือเราได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระธรรมคาสั่งคำสอนเรื่องของพระอริยสงสาวกเราก็นึกภาพไปตามที่เราได้ยินได้ฟังมาแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นจริงอย่างที่เรานึกไวหรือไม่ แต่เราก็มีความเชื่อว่าเป็นความจริงอันนี้เรียกว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเราได้ยินได้ฟังนี่ต่อให้ได้ยินมากี่ครั้งก็ตามมันก็สู้เวลาที่เราเห็นความจริงไม่ได้พอเราเห็นความจริงนี่เราก็จะได้ รู้ว่ามันเป็นอย่างไรถ้าเราเพียงแต่ได้ยินได้ฟังแล้วเรานึกไปตามความนึกคิดของเราความนึกคิดของเรากับความจริงอาจจะไม่ตรงกันก็ได้เราจึงยังไม่มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราจะมีความมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนก็ต่อเมื่อเราได้พิสูจน์ได้เห็นจริงๆว่าพระพุทธเจ้ามีจริงว่าพระธรรมคาส่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่เป็นจริงทุกประการว่าพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งหลดพุนหลุดพ้นทุกประการเราจะสามารถเห็นได้รู้ได้พิสูจน์ได้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นจริงก็ต้องเกิดจากการศึกษา ที่ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาแล้วเราก็น้อมนําเอาไปปฏิบัติเมื่อน้อมเอาไปปฏิบัติแล้วความจริงของพระพุทธเจ้าความจริงของพระธรรมคำสอนความจริงของพระอริยสงสาวกก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจของพวกเรา พอเราได้รู้ได้เห็นความจริงแล้วเราก็จะไม่มีวันที่จะสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปเราจะมีความเชื่อที่มั่นคงที่จะไม่มีอะไรในโลกนี้มาทำลายความเชื่อมั่นของเราได้ถ้าเรายังไม่ได้พิสูจน์ ยังไม่ได้เห็นความจริงของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสาวกเราก็ยังอาจจะมีความลังเลสงสัยมีความไม่มั่นใจได้ถ้ามีใครมาพูดมาแยง้งก็อาจจะเกิดความวันไหวได้ไม่มั่นใจ เพราะว่ายังไม่ได้เห็นกับตานั่นเองเป็นเพียงสิบ ป, ปากว่าแต่ยังไม่ได้เป็นหนึ่งตาเห็นดังนั้นเราผู้เป็นชาวพุทธเราจึงต้องพยายามพิสูจน์ความจริงของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ได้เพราะนอกจากการที่เราได้พิสูจน์ความจริง ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะได้รับประโยชน์ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมอบให้กับพวกเราด้วยนั่นก็คือเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิด ที่พวกเรายังติดกันอยู่ในขณะนี้เรายังต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันและหลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่อีกกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ เมื่อเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนแล้วผลก็คือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็จะปรากฏขึ้นมาเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายของพวกเราอันนี้คือหน้าที่ของชาวพุทธคือมาพิสูจน์ ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติและรับผลอันประเสริฐที่จะได้จากการพิสูจน์จากการศึกษาจากการปฏิบัติผลที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมอบให้กับเราได้ต่อให้เรามีเงินทองกองเท่าภูเขา เราก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ต่อให้เราเป็นใหญ่เป็นโตไม่ว่าจะเป็นประธานาธิปดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรก็ตามก็ยังจะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ต่อให้เราได้รับรางวาัลต่างๆได้รับเหรียญทองได้รับ ยกกตาทองได้รับรางวัลยกย่องสรรเสริญความรู้ความสามารถของเรามากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะไม่ทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ต่อให้เรามีความสามารถที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะชนิดต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เช่นไปท่องเที่ยวไปดูสิ่งมหศัศจรรย์ต่างๆของโลกนี้การได้ดูได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็จะไม่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายได้มีการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะสามารถทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายได้เราถึงต้องมาพิสูจน์คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาคำสอนว่าพระองค์ทรงสอนให้เราปฏิบัติอะไรกันเพื่อจะได้พิสูจน์ ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าส อ, สอนว่าบาปมีจริงบุญมีจริงผลของบาปคือนรกมีจริงผลของบุญคือสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องไปเกิดใหม่เป็นความเป็นจริง นี่คือความเป็นจริงที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันได้เชื่อกันมาแต่เรายังไม่ได้เห็นความเป็นจริงเหล่านี้ด้วยใจของเราเป็นเพียงได้ยินได้ฟังตามคำพูดตามคำสั่งคำสอนถ้าเราต้องการจะเห็นความจริงเหล่านี้เราสามารถเห็นได้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 ที่เป็นรูปธรรมสิ่งต่างๆที่เราเห็นได้ด้วยร่างกายนี้เป็นรูปธรรมเช่นสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาได้ยินด้วยหูดมได้รับสัมผัสทางจมูกทางลิ้นหรือทางร่างกายเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้เห็นได้ด้วยร่างกายของเรา แต่เรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของผลของบุญคือสวรรค์เรื่องผลของบาปคือนรกเรื่องผลของการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจนี้เป็นเรื่องของจิตใจที่เราไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องพิสูจน์ได้สิ่งที่เราจะพิสูจน์เรื่องของจิตใจได้ เราต้องอาศัยวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบนะวิธีที่จะพิสูจน์เรื่องใจว่ามีจริ ง, ว, รงว่าไม่ศูนย์ว่าต้องไปเกิดใหม่ต้องไปอยู่ในสวรรค์บ้างอยู่ในนรกบ้างไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างนี่เป็นเรื่องของใจ ที่เราจะต้องพิสูจน์ด้วยด้วยใจคือเราต้องเปิดใจเปิดตาของใจซึ่งตอนนี้กำลังถูกปิดอยู่ถูกปิดด้วย อ, อำนาจของโมหะอาวิชาโมหะก็คือความหลงอาวิชาก็คือความไม่รู้ความจริง เราถูกโมหะอาวิชชาปิดไม่ให้เราได้รได้รู้จักเรื่องราวของจิตใจเพราะโมหะอาวิชชาต้องการให้เรารู้เพียงเรื่องของร่างกายต้องการให้เรารู้เรื่องของการหาความสุขผ่านทางร่างกายหาความสุขจากลาบยศสนเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะ ที่มีอยู่ในโลกนี้เราเลยไม่รู้เรื่องของของใจไม่รู้เรื่องของบุญของบาปไม่รู้เรื่องของนรลกของสวรรค์ไม่รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรารู้จากวิธีหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่การที่เรารู้เพียงด้านเดียวคือรู้ทางด้านร่างกายมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้การที่เราหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผธพภะ ก็เพราะว่าเราต้องการที่จะใช้มันเป็นการป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมานั่นเองหรือเวลาเกิดขึ้นมาเราก็ใช้การหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลพทพเป็นวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเรา แต่เราก็ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้มันหมดไปได้อย่างถาวรกำจัดได้เป็นเป็นชั่วคราวเวลาที่เรามีความไม่สบายใจถ้าเราได้เงินทองเพิ่มขึ้นมาความไม่สบายใจนั้นก็อาจจะหายไปชั่วคราวเวลา ได้รับเงินเดือนเพิ่มพอมีรัฐบาลใหม่รัฐบาลว่าต่อไปนี้เงินเดือนขั้นต่ำต้องเป็นวันละสี่ร้อยอความไม่สบายใจของเราก็หายไปชั่วคราวมีความดีใจที่ได้เลื่อนเงินได้เลื่อนได้เงินเดือนขึ้นหรือถ้าเราได้รับการแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นสู่ชั้นที่สูงขึ้นอยากในสิบได้เป็นในร้อยอยากในร้อยได้เป็นในพันอากในพันได้เป็นในพนพอได้รับการแต่งตั้งเลื่อนขั้นก็ดีอกดีใจกันความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจก็หายไปชั่วคราวนี่คือ วิธีที่เรากำจัดความทุกข์กันบําสร้างความสุขกันโดยการหาลาบยศสนเสริญหารูปเสียงกิจนลดผทธถภาเพราะเราไม่รู้จากเรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดว่ามีจริงหรือไม่ นถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเลยหรือถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับศ า, าสนาใดศาสนาหนึ่งเลยเราจะไม่รู้เรื่องว่าเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ว่ามีจริงหรือไม่เพราะเราจะรู้เพียงแต่เรื่องของร่างกายเราไปโรงเรียนไปศึกษาตามสถาบรันรการศึกษาต่างๆนี้ ไม่มีสถาบันศึกษาไหนสอนเรื่องบุญเรื่องบาปสอนเรื่องนาลกสอนเรื่องสวรรค์สอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนถ้าเราไม่มีศาสนาเราก็จะไม่เชื่อหรือไม่รู้เรื่องของบุญของบาปเรื่องของนาลกเรื่องของสวรรค์เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราได้ยินได้ฟังเราก็อาจจะ ไม่เชื่อเพราะว่าสถาบันการศึกษาที่เราไปศึกษานั้นเขาไม่สั่งไม่สอนเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เขาสอนให้เราหาความสุขบำบัดความทุกข์ด้วยการหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลพทพ่าต่างๆ เราเรียนหนังสือเพื่อเราจะได้มีวิชาความรู้ที่นำเอาไปทรมาหากินหาเงินหาทองหาตำแหน่งหารางวัลอะไรต่างๆแล้วก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆโดยการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยการไปดูมหาลศบันเทิงต่างๆ นี่คือวิธีของคนที่ไม่มีศาสนาหาความสุขและบำบัดความทุกข์กันแล้วเขาก็จะต้องเจอความทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะวิธีบำบัดความทุกข์นี้เป็นการบำบัดชั่วคราวโดวยการหาความสุขมาเติมให้อยู่เรื่อยๆ แต่ต่อไปเมื่อร่างกายของเขามีการแก่ลงไปมีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะต้องตายไปเวลานั้นการหาความสุขมาเติมก็จะหมดไปความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็ใใจะผุดจะโผล่ใใขึ้นมามากขึ้นไปตามลำดับ จะทำให้มีแต่ความทุกข์ทรมานใจในบ้านปลายของชีวิตถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือปัญหาจะตามมาสำหรับผู้ที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็จะไม่สนใจที่จะศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสารงจะสนใจแต่คำสั่งคำสอนของสถาบันการศึกษาที่ได้ไปศึกษามาสถาบันการศึกษาก็จะสอนให้หาเงินหาทองให้หาตำแหน่งต่างๆให้หารางวัลต่างๆ ให้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่จะไม่สอนให้หาความสุขทางด้านจิตใจจะไม่สอนการดับความทุกข์ของทางด้านจิตใจเมื่อไม่ได้สอนไม่ได้เรียนรู้เรื่องของความสุขใจก็จะมักจะไม่เกิดขึ้นเรื่องของความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นก็จะไม่สามารถ กำจัดมันได้ดับมันได้ น, นี่คือเรื่องของการมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ในเบื้องต้นต้องมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อก็จะไม่สนใจที่จะพิสูจน์ ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นการที่เราได้มาเกิดในครอบครัวที่นับถือพระพุทธศาสนานี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เราเกิดศรัทธาขึ้นมาในเบื้องตน้นเพราะเมื่อเราเวลาเป็นเด็กเราก็จะถูกพ่อแม่สั่งสอน ให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อพระธรรมคำสอนให้เชื่อพระอริยสงสาวกให้เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายเราถึงแม้ว่ายังจะไม่รู้เรื่องยังจะไม่เข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆที่เราถูกสั่งสอน ให้เชื่ออย่างน้อยในเมื่อพ่อแม่ของเราเชื่อเราก็เชื่อตามได้เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่พ่อแม่เชื่อนี้ต้องเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์พ่อแม่ถึงเชื่อแล้วถึงเอามาสั่งสอนพวกเราเมื่อเราได้รับการสั่งสอนเราก็อย่างน้อยก็เชื่อไว้ก่อนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเราเชื่ออะไรก็ตาม นบอกให้เชื่อพระพุทธเจ้าเราก็เห็นเพียงแต่พระพุทธรูปให้เชื่อพระธรรมคาสอนเราก็ได้ยินได้ฟังพระเทศพระสอนเราก็ฟังไปเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่เราก็เชื่อเราเห็นพระที่ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนเป็นพระปฏิบัติได้ปฏิบัติชอบ เราก็เชื่อว่าท่านได้เป็นพระอริยบุคคลอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือเราต้องมีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในเบื้องต้นก่อนถ้าเราไปเกิดในครอบครัวที่ไม่นับถือศาสนาพุทธกาให้เราไปนับถือศาสนาอื่น เราก็จะไมเ่เราก็จะไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อผู้ที่จะมาเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากศาสนาอื่นนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความขวนขวายมีความสนใจศึกษาถึงจะเปลี่ยนจากศาสนาอื่นมานับถือศาสนาพุทธได้ซึ่งเราก็มีชาวต่างชาติ มีจำนวนไม่น้อยที่มาเชื่อมานับถือพระพุทธศาสนามาศึกษามาปฏิบัติตามคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบวชเป็นพระก็มีเป็นจำนวนมากการที่เขาหันมาเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นี้สแสดงว่าเขามีความขนขวายเขามีความ สนใจค้นคว้าศึกษาหาความจริงเกี่ยวกับวิธีกำจัดความทุกข์ของเขาที่าศาสนาของเขาที่เขานับถืออยู่นั้นไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ของเขาได้เขาเลยอาศัยการอ่านหนังสือของาศาสนาพุทธพอได้อ่านแล้วเขา ก็เกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาแล้วพอเขาได้ลองปฏิบัติตามเขาก็จะได้ได้เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าความทุกข์ใจของเขานี้เริ่มลดน้อยลงความทุกข์ใจที่ไม่เคยลดน้อยลงเลยพอได้มาศึกษาได้ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนแล้ว ก็เริ่มเห็นผลว่าเป็นผลที่ดีกว่าผลที่เขาได้รับจากศาสนาของเขาเขาก็เลยเปลี่ยนศาสนาได้พวกที่เกิดในต่างศาสนานี้จึงมีโอกาสน้อยที่จะได้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกับผู้ที่เกิดในศาสนาพุทธเนี่ย ผู้ที่เกิดในศาสนาพุทธนี้ก็จะเชื่อโดยอัตโนมัติแต่การเชื่อโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ไปศึกษาไม่ไปปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนก็จะกลายเป็นความเชื่อแบบงมงายไปได้เป็นความเชื่อที่ไม่ตรงกับจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าให้เชื่อก็ได้การเป็นการเชื่อในเรื่อง เช่นเป็นการเชื่อในเรื่องอภิน ญ, ญาปฏิหารอะไรต่างๆเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปที่จะสามารถประทานพรให้แก่ผู้ที่มีศรัทธาได้ใครอยากจะได้ลูกก็ขอจากพระพุทธเจ้าได้มีแต่งงานกันมาหลายปีแล้วทำยังไงก็ยังไม่มีลูกสักที ก็อาจจะมีคนแนะนำว่าให้ไปขอไปกราบพระวัดนั้นวัดนี้พระวัดนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากสามารถประทานพรให้แก่ผู้ที่ต้องการพรชนิดต่างๆได้วัดบางวัดจึงแน่นไปด้วยผู้คนที่จะไปกราบพระพุทธรูปแล้วก็ถวายดอกไม้ธูปเทียนลอยจากข้าวของเงินทอง ให้กับวัดแล้วก็ขอพรชนิดต่างๆบางคนก็อยากร่ำรวยบางคนก็อยากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนก็อยากจะแค้นฆ่าปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเมื่อเช้าก็มีคนขอให้เคาะหัวเพราะจะได้ทําให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปเจ็บมานานนะ ถ้าได้พระมาเคาะหัวสัหน่อยแล้วจะทำให้โลกภัยที่มีอยู่นั้นหายไปได้อี่ความเชื่อแบบนี้ก็เลยเป็นความเชื่องมงายไปไม่ได้เป็นความเชื่อตามหลักที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เชื่อเพราะคาสอนคาสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนให้เชื่ออัตติอัตโนนาโะ คือให้เชื่อตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้สร้างความสุขให้กับตนตนเป็นผู้กำจัดความทุกข์ให้กับตนแม้แต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ก็ไม่สามารถทำหน้าที่ในการสร้างความสุขใจบำบัดความทุกข์ใจให้แก่เราได้เรานั้นละ่ะจะต้องเป็นผู้ สร้างความสุขใจเองเราจะต้องเป็นผู้กําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราเองพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนพระอริยสงสาวกนี้เป็นเพลงผู้บอกทางเป็นเพียงผู้บอกวิธีสร้างความสุขใจดํากําจัดความทุกข์ใจ เราจรึงต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราเชื่อเฉยๆโดยไม่ศึกษาว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราทําอะไรเราก็จะกลายเป็นเชื่อแบบงมงายอย่างที่เป็นกันอยู่ในขณะนี้ชาวพุทธเราส่วนใหญ่นี้จะเชื่อกันแบบงมงายหรือจะเชื่อว่า พระพุทธรูปตามวัดต่างๆหรือพระพุทธรูปที่เราได้มาจากวัดต่างๆหรือไปซื้อมาจากร้านต่างๆพอเราเอามาตั้งที่บ้านแล้วพระพุทธรูปนี้จะมีพลานุภาพที่สามารถกําจัดภัยต่างๆป้องกันภัยต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นได้ มีพระพุทธรูปแล้วไฟไม่ไหม้บ้านน้ำไม่ท่วมบ้านขโมยไม่ขึ้นบ้านผีไม่มาหลอกนี่คือความเชื่อแบบงมงายเชื่อเพราะไม่ได้ศึกษาเชื่อเพราะถูกสั่งสอนกันมาให้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นพระก็ให้ไหว้เห็นพระพุทธรูปก็ให้กราบ ให้ทาบุญทาทานสนับสนุนส่งเสริมวัดวาอารามก็ทำได้เท่านี้สอนกันมาเท่านี้อันนี้ก็เป็นความเชื่อแบบผิวเผินและความเชื่อที่มีส่วนเป็นความจริงและมีส่วนที่ไม่จริงส่วนที่เป็นจริงก็คือการทำบุญทาทานกับวัดนี้เป็นเป็นส่วนที่เป็นจริง วัดจะอยู่ได้าศาสนาจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาญาติโยมคอยให้ความสนับสนุนต้องช่วยกันสร้างวัดสร้างศาลาสร้างกุฏิช่วยกันเลี้ยงดูพระเนนไม่ให้อดอยากขาดแคลนเพราะพระเนนจะเป็นผู้ที่มาสืบทอดทอาศาสนา มาศึกษาพระธรรมคำสอนมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอันนี้ก็เป็นส่วนที่ถูกต้องแต่ส่วนที่ไม่ถูกต้องก็คิดว่าคิดว่าถ้ามีพระพุทธรูปแล้วมีมีการทำบุญทำทานแล้วความทุกข์ต่างๆของเราจะหายไปหมดภัยต่างๆจะหายไปหมด อันนี้เราต้องการอะไรเราก็จะขอได้จากพระพุทธรูปเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นความจริงความจริงนี้ศาสนาพุทธเราไม่สอนให้ขอเพราะขอไม่ได้สอนให้ทาเรียกว่าเป็นศาสนาธรรมแต่ไม่ใช่ธรรมทอทงลอเรือลอเรือมอมา้าแต่เป็นทอทหารจระอํา คือให้ทำทาเองก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถให้สร้างสวรรค์เองให้กำจัดนรกเองให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเองเพราะถ้ายุติการเวียนว่ายตายเกิดแล้วได้แล้วปัญหาต่างๆที่เราได้จากการมาเกิดนี้ก็จะถูกกำจัดไปหมด ไม่ต้องมากังวลกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ต้องมากังวลกับภัยต่างๆที่อาจจะมากระทบกับร่างกายของเราได้ไม่ต้องมาหวาดกลัวกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่าเมื่อเราไม่มีร่างกายแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราหวาดกลัวได้ การที่เรายังมีความหวาดกลัวอยู่ก็เพราะว่าเรายังมีร่างกายกันแล้วพอเราได้ร่างกายเราก็ไปคิดว่าเราเป็นร่างกายกันเราก็เลยกลัวทุกข์กันเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานี่นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องมาพิสูจน์กัน ให้เราได้รู้จักความจริงเพราะการรู้จักความจริงนี้จะทำให้เรานี้สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราได้หมดเพราะความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความหลงนั่นเองความไม่รู้ความจริงเราก็เลยทุกข์กันแต่ถ้าเรารู้ความจริงแล้ว เราก็จะไม่ทุกข์กันเราจะรู้ความจริงได้เราก็ต้องศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนาเอาไปปฏิบัติให้ได้ถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะเห็นความจริงเราเมื่อเห็นความจริงความทุกข์ที่เกิดจากความหลงก็จะหายไปนี่คือ เรื่องของการมาเปลี่ยนศรัทธาความเชื่อให้เป็นความจริงด้วยการพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่ปฏิบัติถึงแม้ว่าเราจะเชื่อความเชื่อที่เราเชื่อนี้จะไม่มีอำนาจพอที่จะมากำจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้น หรือป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาภายในใจของเราได้ความเชื่อของเรานี้เป็นเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำเราไปสู่การพิสูจน์ความจริงต่อไปเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่พิสูจน์กันเมื่อเราไม่พิสูจน์เราก็จะไม่รู้ความจริงของพระธรรมคำสอนว่า เป็นจริงหรือไม่อย่างไรเช่นบุญมีจริงหรือไม่บาปมีจริงหรือไม่นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่ความจริงเหล่านี้ก็จะไม่ได้รับการพิสูจน์ถ้าเราไม่มีความเชื่อเหมือนกับถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราไม่เชื่อวิธีรักษา ไม่เชื่อยาของหมอคนคนนี้เมื mm ่อเราไม่เชืどど่อหมอคนนี้ไม่เชื่อยาที่หมอคนนี้จะให้เราเราก็จะไม่ไปหาหมอคนนี้เมื่อเราไม่ไปหาหมอเราก็จะไม่ได้ทําตามที่หมอสั่งไม่ได้กินยาที่หมอให้มาเมื่อเราไม่ได้ทําเราก็จะไม่รู้ว่าหมอคนนี้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ให้หายไปได้หรือเปล่าถึงแม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังจากเพื่อนฝูงหรือจากคนนั้นคนนี้ว่าหมอคนนี้เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้สามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้หายได้แต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ไปหาหมอคนนี้เมื่อเราไม่ไปเราก็จะไม่รู้ว่าวิธีที่หมอใช้ในการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บนี้จะ ทำให้โรคภัยไข้เจ็บของเราหายได้หรือเปล่าแต่ถ้าเรามีความเชื่อเราก็จะไปหาหมอคนนี้แล้วหมอคนนี้ก็จะบอกวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับเราเมื่อเราเชื่อเราก็จะต้องปฏิบัติตามการปฏิบัติตามนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์แล้วว่าหมอรักษาโรคของเราให้หายได้หรือเปล่า เมื่อเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามที่หมอสัง่งหมอสั่งให้ทำแล้วถ้าหายหรือไม่หายเราก็จะได้รู้กันถ้าไม่หายทีนี้เราก็จะได้ไม่ต้องเชื่อหมอคนนี้ไปอย่างถาวรเลยต้อให้ใครมายืนยันนอนยันว่าหมอคนนี้เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้แต่ถ้าเราได้ทำทุกอย่างตามที่หมอสั่งแล้วโรคของเราก็ยังไม่หายเราก็จะไม่เชื่อหมอคนนี้อีกต่อไป แต่ถ้าเราทําแล้วโครคภัยไข้เจ็บหายไปเราก็จะเชื่อหมอคนนี้ไปจนวันตายเราก็จะบอกคนอื่นได้อย่างเต็มปากว่าหมอคนนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้รักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้หายได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนพระอริยสงสาวโลกนี้ก็เป็นเหมือนหมอรักษาโรคใจ โลกของความทุกข์ใจที่เรามีกันอยู่นี่ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่มาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มาศึกษาคําสั่งคําสอนซึ่งเป็นวิธีรักษาโรคใจต่างๆให้หายหมดไปจากใจเมื่อเราไม่เชื่อเราก็จะไม่มาเราก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้อ เป็นผู้ที่สอนให้เราดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้หรือไม่แต่ถ้าเราเชื่อเราก็จะมาศึกษามาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคาสอนของพระอริยสงสาวกพอเราศึกษาแล้วแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาหรือไม่เราก็จะได้รู้ต่อไปถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องทุกประการตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนผลที่เกิดขึ้นก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่ามีผู้ที่เขาได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาก่อนเราอยู่แล้ว คือพวกพระ อ, อริยสงสาวกทั้งหลายเขาได้ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบจนเขาสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเขาให้หมดสิ้นไปแล้วเขาก็เป็นผู้มารับประกันความความสามารถของพระพุทธเจ้าว่าเขาได้หายจากโลกของความทุกข์ใจทั้งปวงได้เพราะเชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนีดังนั้นเมื่อเราได้พิสูจน์แล้วไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องได้เห็นผลอย่างแน่นอนหรือว่าถ้าเราพิสูจน์แล้วไม่เห็นเราก็อาจจะปฏิเสธก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่สามารถสอนให้เราดับความทุกข์ใจได้ หรือว่าเราก่อนที่เราจะปฏิเสธเราก็ต้องดูก่อนว่าเราได้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนหรือยังถ้าเรายังไม่ได้กินยาตามหมอสั่งแล้วจะไปบอกว่าหมอนี้นักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายไม่ได้อันนี้ก็ไม่ไม่ยุติธรรมแต่ถ้าเราทำตามที่หมอสั่งทุกประการหมอบอกให้กินยาก็กินยาหมอบอกให้ทำอะไรเราก็ทำตาม มล้เรายังไม่หายจากโรคตอนนั้นเราก็อาจจะพูดได้เต็มปากว่าหมอคนนี้ไม่สามารถรักษาโรคให้เราหายได้อย่างใดถ้าเราทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนทุกประการแล้วแล้วยังมีความทุกข์ความวุ่นวายใจอยู่อันนี้เราก็อาจจะปฏิเสธก็ได้แต่ก่อนจะปฏิเสธต้องดูให้แน่ก่อนว่าเรา ได้ปฏิบัติตามคำสั่งคาสอนหรือเปล่าหรือปฏิบัติเต็มที่หรือเปล่าเพราะบางทีอาจจะปฏิบัติแค่ครั้งสองครั้งแล้วบอกพอไม่ได้ผลก็เลยบอกว่าไม่ได้เรื่องเหมือนหมอบอกให้กินยาก็กินย า, นยาสักเม็ดสองเม็ดแล้วพอกินไปแล้วยังไม่เกิดผลขึ้นมาก็บอกว่าไม่ได้เรื่องอย่างนี้ก็ยังไม่ถูกต้องกินให้หมดยาที่หมอให้มามีเท่าไหร่ต้องกินให้หมด คำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติเราก็ต้องทำให้มันหมดแล้วเราถึงจะได้เห็นจะได้รู้ว่าความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้หายไปหมดหรือไม่อย่างไรดังนั้นหน้าที่ของชาวพุทธเราก็คือในเบื้องต้นต้องเชื่อก่อน เชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางด้านจิตใจแล้วหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วแล้วสามารถสอนวิธีที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นเราก็ต้องศึกษาวิธีคำสั่งคำสอนแล้วนำเอาไปปฏิบัติ ไม่ใช่ให้เชื่อเฉยๆแล้วก็ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติแล้วก็ความเชื่อนั้นก็อาจจะไม่ตรงกับคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้เช่นเรื่องเชื่อเรื่องพระพุทธรูปนี้เป็นตัวอย่างเรื่องของพระพุทธรูปนี้มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการมีพระรูปหนึ่งหรือศรัทธาคนหนึ่งมีความศรัทธา ความเชื่อในพระพุทธเจ้ามากแล้วมีความสามารถที่จะกะสลักหรือปั้นพระพุทธรูปขึ้นมาก็ปั้นแล้วก็มาถวายให้พระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้าได้ให้พรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระพุทธรูปนี้ไม่ใช่เราเราไม่ใช่เป็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปนี้ไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรให้กับเธอได้ สิ่งที่จะทำอะไรให้กับเธอได้ก็คือคำสั่งคำสอนของเราเราคือธรรมธรรมคือเราผู้ใดอยากจะเห็นเราต้องเห็นธรรมผู้เห็นธรรมคื อ, ผ, คอผู้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าก็คือผู้เห็นธรรมผู้ที่จะเห็นธรรมก็คือผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติจนกระทั่ง พธรรมคำสอนนี้ปรากฏขึ้นมาในใจความจริงปรากฏขึ้นมาในใจคือจะเห็นนรกที่เกิดจากการทำบาปจะเห็นสวรรค์ที่เกิดจากการทำบุญจะเห็นการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดที่เกิดจากการยุติตันหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไป อันนี้หละเรียกว่าการพิสูจน์คําสั่งคําสอนการพิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมคําคสอนพระอริยสง์สาวกของพระพุทธเจ้านี้มีจริงเป็นจริงหรือไม่ต้องเกิดจากการศึกษาและเกิดจากการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนเท่านั้นไม่ใช่เกิดจากการเชื่อเพียงอย่างเดียวเชื่อแบบเชื่อกันตามกันมา ปู่ย่าตายายก็สอนพ่อแม่พ่อแม่ก็สอนลูกหลานสอนก็เชื่อกันแบบงมงายไปเชื่อแบบผิดผิดไปเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในพระพุทธรูปเชื่อว่าบุญสวรรค์ได้เกิดจากการที่เราได้ขอจากพระพุทธรูปภัยต่างๆความทุกข์ต่างๆจะถูกกําจัดไป ด้วยการมีพระพุทธรูปมาไว้ในบ้านเป็นที่คุ้มครองปกป้องรักษาอันนี้เป็นการเชื่อแบบผิดๆเชื่อแบบไม่มีเหตุมีผลการมีพระพุทธรูปนี้ถึงแม้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นพระองค์ก็ตามแเราก็ยังสามารถใช้พระพุทธรูปนี้เป็นเครื่องเราลึกถึงพระพุทธเจ้าได้อยู่ะ การที่เรามีพระพุทธรูปนี้ความจริงก็มีไว้เพื่อให้เราลำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองเพราะว่าถ้าเราไม่มีพระพุทธรูปเรามีแต่รูปดารารูปนางแบบนายแบบใจของเราก็จะคิดไปแต่บุคคลเหล่านี้หลงไหลคลั่งไครไปกับบุคคลเหล่านี้เห็นไหมเห็นเด็กไหมเด็กต่างๆนี้มักจะชอบมีรูปของดาราภาพยนตร์ มีรูปของนายแบบนางแบบติดไว้ในห้องเต็มไปหมดถ้าเวลาเห็นรูปเหล่านี้ก็เพ้อฝันอยากจะเป็นเหมือนเขาขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันการที่เรามีพระพุทธรูปก็เพื่อให้เราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วจะได้เพ้อฝันอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าบ้างความหมายอยู่ตรงนั้นมีรูปของพระพุทธเจ้ามีรูปของพระอริยสงสาวกเช่นครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ย ที่เรามีตั้งไว้ในบ้านนี้มีไว้เพื่อให้เรามองเป็นเหมือนดาราภาพยนตร์เป็นแบบฉบับเป็นแบบตัวอย่างของเราเราอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นเหมือนพระอริยสงสารโลกนี่แหละคือหน้าที่ของการมีพระพุทธรูปในบ้านคือให้เรามีความรู้ สึกนึกคิดถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนั่นเองเรารู้ว่าพระพุทธเจ้านี้มีคุณวิเศษอย่างไรเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสั้โดยชอบด้วยพระองค์เองหลุดพ้นจากกังทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยพระองค์เองนี่พอเรารู้ว่าท่านเก่งกาจอย่างนี้ เก่งยิ่งกว่าดาราภาพยนต์เก่งยิ่งกว่านักร้องที่เราไปหลงหลายครั้งใครเราก็อาจจะเปลี่ยนความนิยมจากการนิยมพวกดาราพวกอะไรนี้มานิยมเป็นพระพุทธเจ้ากันมานิยมเป็นพระอริยสงฆ์สาวกกันอันนี้แหละคือ ความหมายที่แท้จริงของการมีรูปภาพมีพระพุทธรูปต่างๆถ้าเราอยากจะติดรูปติดรูปของพระพุทธเจ้าไว้ในบ้านดีกว่าติดบรรทุ ก, ท, กทุกด้านของห้องเลยมีสี่ด้านติดมันเหมือนกับติดรูปของดาราเนี่ยมองไปด้านไหนก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าดูมีปางต่างๆมีปางบินทบาทมีปางเทศนามีปางนั่งสมาธิ มีปลาปวดสัตว์ปรดองค์คุิมานอะไรต่างๆแล้วเนี้ยไปค้นหารูปในพุทธบทพุทธประวัติมาติดไว้แล้วเวลาเราเห็นแล้วมันจะทำให้เราได้ได้ศึกษาได้เกิดความรู้จักพระพุทธเจ้าให้ดีขึ้นไปว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างไรท่านทำอะไรแล้วเราก็อยากจะได้เป็นเหมือนท่านได้นี่คือ การมีพระพุทธรูปหรือการมีภาพของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงสาวกพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีไว้เพื่อดึงดูดจิตใจของเร า, ใ ห, เร า, า, าให้เราไขว่คว้าให้เราใฝ่ฝันอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าบางอยากจะเป็นเหมือนพระอริยสงสาวกบ้างถ้าเราถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทําได้ สิ่งที่พระอริยสงสาวกทำได้นั้นวิเศษอย่างไรวิเศษยิ่งกว่าสิ่งที่ดาราทั้งหลายทำได้ดาราทั้งหลายก็เพียงแต่เต้นแล้งเต้นกาให้เราดูได้เท่านั้นเองให้เราสนุกเพลิดเพลินไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่สิ่งที่พระเจ้าทำได้นี้คือจะทำให้พวกเรานี้ไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้กันอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องมาทุกข์กับคนนั้นคนนี้ ไม่ต้องมาทุกขกับร่างกายของเราซีพวกเรายังต้องทุกขกันอยู่ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีภาพของดาราของนายแบบนางบาทเต็มอยู่ในห้องของเราก็ตามแต่ความทุกข์ต่างๆที่เราเคยมีอยู่มันก็ยังมีอยู่ต่อไปเราก็ยังทุกขกับคนนั่นคนนี้บางทีทุกข์กับพ่อทุกข์กับแม่เสียด้วยซ้ำไปบางทีโดนพ่อแม่ตำหนิตีนหน่อยว่า อย่าลหลงไหลคลั่งไคล้กับพวกนี้มากเกินไปเราก็โกรธได้เมื่อเราหลงรักพวกนี้แล้วพอถูกห้ามขึ้นมาเราก็อาจจะไปโกรธคนที่มีบุญคุณกับเราก็ได้ทุกกับคนที่เขามีบุญคุณเพราะเขาหวังดีกับเราแต่พอเขาเตือนเขาสอนเราเราก็กลับไปโกรธเขาได้าการที่มีภาพต่างๆของพวกดาราของอะไรพวกนี้ไม่มีคุณประโยชน์ เหมือนกับการมีภาพของพระพุทธเจ้าภาพของพระอริยสงสาวกต่างๆพอเราเห็นท่านแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาอยากจะเป็นเหมือนท่านอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนท่านอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนท่านอยากจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆไม่ทุกข์กับบุคคลต่างๆ อยู่ที่ไหนก็ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขหนอสุขหนอตลอดเวลานี่คือผลที่เราจะได้รับถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนำานาศรัทธานี้ไปต่อยอดศรัทธานี้ถ้าเปรียบเทียบก็เปรีเหมือนมเมล็ดมเมล็ดของพืชของต้นไม้การที่เราจะได้ต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นมา สิ่งแรกเราต้องมีก็คือมเมล็ดของต้นไม้นั้นก่อนเช่นเราอยากจะได้ต้นมะม่วงเราก็ต้องไปหามเมล็ดมะม่วงมาพอได้มเมล็ดมะม่วงเราก็มาเพาะชำเพาะชำแล้วต่อไปมันก็จะงอกขึ้นมาเป็นต้นเล็กๆเหมือนต้นกลา้าแล้วเราคอยทานุ่มบำรุงให้น้ำให้ดินอยู่เรื่อยๆมันก็จะค่อยจเจริญเติบโตขึ้นมา แล้วถ้าเราเอาอไปลงดินแล้วก็นดน้ำพรวนดินดูแลมันไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวต้นไม้ก็จะใหญ่ขึ้นไปเราเดี๋ยวไม่นานก็จะออกดอกออกผลต่อไปฉะนั้นความเชื่อของเราในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็เป็นเช่นนั้นเป็นเหมือนเมล็ดที่เราจะต้องนำเอาไปเพาะชำถ้าได้เมล็ดมาแล้วเก็บไว้ในถุงไม่เอาไปเพาะไปชําะ มเมล็ดนั้นก็จะไม่เจริญงอกงามกลายเป็นต้นไม้ออกดอกออกผลให้กับเราได้การที่เรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าเรามาเกิดในครอบครัวของชาวพุทธอันนี้เราเหมือนกับเราได้มเมล็ดของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือเอามเมล็ดของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไปเพาะชำให้ ให้เจริญงอก ง, งามเป็นต้นกล้าขึ้นมาพอได้ต้นกล้าแล้วเราก็เอาไปลงดินต่อแล้วก็คอยดูแลรักษาตดน้ำพรวดินให้ปุ๋ยคอยป้องกันวัชพืชหรือมแมลงต่างๆที่จะมากัดมาทําลายต้นและใบถ้าเราดูแลรักษาอย่างดีต้นไม้ก็จ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นไปตามลําดับ และจะออกดอกออกผลต่อไปอย่างแน่นอนอันใดประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะเกิดขึ้นด้วยการที่เราเอาศรัทธานี้มาต่อยอดพอเราเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วสิ่งที่เราทำกันต่อไปก็คือเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิธีเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือก็ไปศึกษา ถ้าจะเข้าหาพระพุทธเจ้าตอนนี้เราก็ต้องเข้าหาผ่านพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าตอนนี้ท่านร่างกายของท่านจากเราไปแล้วแต่คําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้ายังอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่อยู่ในหนังสือธรรมะต่างๆอยู่เราก็สามารถใช้การังอ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกนี้เป็นการเข้าหาพระพุทธเจ้าได้หรือถ้าเรารู้จากพระอริยสงฆ์เราก็เข้าหาพระอริยสงฆ์ได้ถ้าเราได้ยินได้ฟังจากคนนั้นคนนี้หรือสมัยนี้เราสามารถค้นหาได้เองถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระอริยสงฆ์อยู่ที่ไหนเป็นใครเราก็ลองค้นหาดูใน ในมือถือของเราเนี่ยใส่เข้าไปพระอริยสงฆ์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะมีพระอริยสงฆ์โผล่ขึ้นมาเป็นรายชื่อให้เราได้ไปพบปะการมีรายชื่อก็ยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยืนยันเพราะข้อมูลสมัยนี้เราอย่าเพิ่งไปเชื่อทันทีทันใดเพราะเดี๋ยวนี้ในในในสื่อนี้มันเป็นสื่อที่มีทั้งของจริงและของปลอมนะ เราต้องอาศัยการพิสูจน์ยันยืนยันจากหลายหลายทางด้วยกันยอย่าฟังสื่อเดียวเราต้องเอาหลายหลายสื่อมาเปรียบเทียบกันดูฟังห ล, ล, ล, ลายหลายฝ่ายฟังหลายหลายหูแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงถ้าเราเอาเพียงแต่แหล่งเดียวแหล่งนั้นอาจจะเป็นแหน่งไม่จริงก็ได้ แล้วพอเรารู้แล้วขั้นต่อไปก็ยังต้องไปพิสูจน์อีกก็ต้องไปหาตัวจริงไปหาตัวจริงแล้วก็ไปศึกษาจากตัวจริงอีกทีศึกษาแล้วก็ยังไม่รู้จริงเหรอจะรู้จริงก็ต่อเมื่อสิ่งที่ท่านสอนเราทําให้จิตใจของเราดีขึ้นทําให้ความทุกข์ของเราน้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้ความเชื่อมั่นในตัวของท่านก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไป ต้องพิสูจน์เชื่ออย่างเดียวไม่ได้ความเชื่อนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่การพิสูจน์เมื่อมีการพิสูจน์แล้วความจริงหรือไม่จริงก็จะได้รู้กันจะได้เห็นดำเห็นแดงกันว่าบุคคล น, นี้เป็นพระอาริยรบุคคลหรือไม่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงหรือไม่มันเราพิสูจน์ได้ เพราะทุกอย่างในศาสนาพุทธนี้ไม่ได้สอนให้เชื่อเฉยๆสอนให้เชื่อแล้วนําออกไปพิสูจน์เราถึงจะรู้จริงว่าคําสั่งคําสอนหรือบุคคลที่สั่งที่สอนนั้นเป็นจริงตามที่เราเชื่อกันหรือไม่นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะทําความเข้าใจกันเราเกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วเรามี ความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัวแล้วแต่ความเชื่อของเรานี้ยังไม่ได้เป็นความจริงละความเชื่อที่เราถูกสอนมาอาจจะเป็นความเชื่อแบบ ง, งมงงายก็ได้อาจจะเป็นความเชื่อแบบผิ ด, ผ, ดผิดก็ได้ดังนั้นเราต้องมาพิสูจน์ความเชื่อของเราด้วยด้วยการมาศึกษาจากพระพุทธเจ้าซึ่งตอนนี้ไม่อยู่แล้วก็ต้องจากพระธรรม พระธรรมคำสอนที่มีบันเทไว้ในพระปัจจัยปิดกหรือในหนังสือที่คัดออกมาจากพระไตจปิดกหรือไปศึกษากับพระอริยสงสาวกที่เราค้นหาค้นพบว่าเป็นพระอริยสงสาวกเราก็ต้องไปศึกษาศึกษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องตามคําสั่งคําสอน เราก็จะได้รู้ความจริงต่อไปเมื่อเราได้รู้ความจริงแล้วเทนี้ความมั่นใจก็จะเต็มร้อยขึ้นมาศรัท ธ, ธาก็จะเต็มร้อยต่อให้ใครมาปฏิเสธว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่จริงเราก็ไม่มีวันเชื่อถ้าเรารู้ว่ามันเป็นความจริงแต่ถ้าเรายังไม่รู้นี่เวลาใครมาพูดว่าไม่มีจริงเป็นเรื่องนิยายะ แต่งกันขึ้นมาเราก็อาจจะไข้เผลได้เราอาจจะเกิดความไม่มั่นใจว่าเรากำลังเชื่อความจริงหรือเชื่ อ, อเชื่อนิยายกันแนะ่อันนี้เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราควรจะทำกันคือควรมาพิสูจน์ความจริงของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันถ้าเราพิสูจน์แล้วเราก็จะได้รับผลประโยชน์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของจริงถ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เป็นของจริงเราก็จะได้ไม่ต้องมาศึกษาไม่ต้องมามาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนอีกต่อไปเมื่อปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ผลไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็จะได้ไม่ต้องปฏิบัติให้เสียเวลาเราจะได้ไปหาสิ่งอื่นต่อไปนี่คือเรื่องของการเป็นชาวพุทธ ทำหน้าที่ของชาวพุทธในวันที่เราว่างจากภารกิจทางโลกทางธรรมมาหากินอย่าเอาเวลามีค่านี้ให้หมดไปกับการหาความสุขแบบไร้สาระไร้คุณประโยชน์ความสุขแบบควันไฟแต่ไม่รู้เรื่องราวของเราว่าเราเป็นใครว่าเราเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างไรเราตายไปแล้วเราจะไปไหนต่อจะไปนรกไปสวรรค์ จะไปเวียนว่ายตายเกิดจะไปเกิดเป็นอะไรต่อไปเราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ถ้าเราไม่เข้ามาพิสูจน์คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราพิสูจน์แล้วเราก็จะรู้จริงเห็นจริงต่อไปแล้วความสงสัยในพระพุทธธรรมผส์ก็จะหมดไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา อยาขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมีวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิทิตังปัทิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยถามณีโชติราโสยถาสัพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวัตวันตรายสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาทานสีฤทธานิจังวุธาปะจายโนจตาโรโธรรมะวาทานติอายุวันโนสุขังภาลาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟ c บุ๊ o สองร้อยสามสบเจ็ดคนครับ YouTube สองามคนครับวิทยุออนไลน์ยีสิบเจ็ดคนครับบูรฟังบนเขาร้อยห้าสิบคนครับรวมทั้งหมดหกร้อยสิบเจ็ดคนครับอาจารย์ตอนนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคําถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยอย่าถามตอนที่เราหยุดนะตอนนี้เปิดโอกาสถามได้พอเลิกประชุมก็จะมักจะเข้ามาถามทันที ตอนนี้ให้ถามไม่ยอมถามกันถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หนะ้แต่ขอความกรุณาเพราะเวลาเลิกแล้วมันเหนื่อยแล้วเหมือนนั่งมวยชกกันมาพอถึงเวลาตีระครังเขาก็หยุดชกพักกินน้ํากันไม่ใช่พอหยุดพักปั๊บ ก, ก็มาชกกันต่อไม่ไหวมันไม่มีแรงสู้นะ ถ้าใครอยากจะถามคำถามเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกันแต่หลังจากเลิกประชุมแล้วขอความกรุณาอย่าอยากเข้ามาถาม อ, อ๋อเป็นเวลาพักว่าพักกินน้ำพักเหนื่อยพักแรงคำถามจาก Youtube ค่ะคำถามจากคุณพนมพรถ้าเรารู้ว่าพ่อของเราทำผิดศีลข้อสาม ฐานะที่เราเป็นลูกจะบอกกล่าวเตือนพ่อได้ไหมครับหรือมีวิธีแก้อย่างไรครับจะบอกเขาทำไมล่ะเขาไม่รู้เลยว่าผิดเขาก็รู้เมื่อเขารู้ว่าผิดแล้วทำไมต้องไปบอกเขาด้วยมันไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยถ้าเขาไม่รู้ก็มาถามว่าไปทำอย่างนี้ผิดหรือเปล่าอย่างนี้เราก็บอกก็ได้อต่นี่เรื่องเหล่านี้เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเรา เขาอาบนอนอาบน้าร้อนมาก่อนเราเขาเลี้ยงเราขึ้นมาเขาสอนเราแล้วเราจะไปสอนเขาทำไมไม่ใช่หน้าที่ของเรานอกจากพ่อแม่ขอคำปรึกษ า, างี้บอกได้นะแต่ถ้าท่านไม่ขอคำปรึกษาในท่านรู้ทำไมไม่รู้คนเรามีกิเลสด้วยกันเราเองทำไมไม่สอนตัวเราจะดีกว่าเราดูตัวเราดีกว่าเราทําผิดข้อไหนบ้าง ถ้เราสอนตัวเราเราอย่าไปทำผิดเราจะได้ประโยชน์มากกว่าส่วนใหญ่เรามักชอบไปมองบาปของคนอื่นแต่บาปของเราเรามักจะมองไม่เห็นบาปของคนอื่นแม้เท่าผงทุลีก็เหมือนกล่องภูเขาบาปของเราแม้จะเท่ากองภูเขาก็เหมือนผงทุลีงั้นอย่าไปกังวลกันเรื่องบาปของคนอื่นเลยขอให้เรามากังวลกับบาปของเราดีกว่า <c oughs> คำถามจากคุณทวัตชัยคะ่ะพระอาจารย์เคยบอกว่าสังขารประกอบไปด้วยสังขารภายนอกและสังขารภายในทราบว่ามีคำหนึ่งว่าวิสังขารวิสังขารคืออะไรครับไม่รู้เรา่คยพูดระบว่าสังขารภายนอกสังขารภายในวิสังขารเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยพูดไม่ทราบอาจจะจาผิดองค์หรือเปล่า เคยไปได้เฉาองค์ไหนมาแล้วมาคิดว่าเป็นคำพูดของเราหรือเปล่าเราไม่เคยพูดนสังขารภายนอกสังขารภายในา น, นอกจากคำหมายของสังขารมันมีสองความหมายสังขารร่างกายบางทีเราพูดถึงร่างกายแล้วก็เรียกว่าสังขารแล้วความคิดปรุงแต่งก็แปลว่าสังขารอีกอันหนึ่งองถ้าจะว่าสังขาร น, นอกก็คือร่างกายสังขารในก็คือความคิดปรุงแต่งของเรา สมัยนี้เราปิดใช้คำคิดปรุงแต่งว่ามาโนไงอย่างนี้ชอบมโนกันเลยอ่ครับคิดปรุงแต่งกันไปเรื่อยออันนี้ก็เป็นมาจากคำว่าสังขารส่วนอวิสังขารวิสังขา น, นี้ไม่รู้เหมือนกันลองไปถามใน Google ดูดีกว่าคำถามจากคุณหมวยรักลูกเท่าชีวิตถ้าเราอธิษฐาน ขอให้ได้เกิดมาเป็นคนมีเมตตาต่อสัตว์และคนอื่นบนโลกนี้แบบนี้เหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แบบนี้เราจะบาปไหมคะไหนถามใหม่สิถ้าเราอธิษฐานค่ะขอให้ได้เกิดมาเป็นคนมีเมตตาต่อสัตว์มีเมตตาต่อคนบนโลกนี้แบบเหมือนกับพระพุทธหรือพระสงฆ์อะค่ะที่มีเมตตาเราจะบาปาาไหมคะอ๋อไม่บาปแล้ว แต่การอธิษฐานนี้ไม่สามารถทำให้เกิดสิ่งที่เราต้องการได้เพราะสิ่งที่เราต้องการมันต้องเกิดจากการกระทำของเราไม่ใช่เกิดจากการขอจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราอยากจะเป็นคนมีความเมตตาเราก็ต้องทำเมตตาให้เกิดขึ้นเราก็ต้องมีเมตตากับคนนั้นคนนี้ไม่ใช่เจอคนนั้นคนนี้ก็ดา่าเขาว่าเขาเวลาโกรธก็อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม ถ้าเราอยากจะมีความเมตตาเวลาเราโกรธเราก็ต้องให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมถ้าเราอยากจะให้เราอยากจะให้ความเมตตากับเขาเวลาที่เราไม่โกรธเราก็ให้ของเขาสิมีข้าวของเงินทองอะไรแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ได้ก็ให้กันไปอันนี้เราก็จะเกิดความเมตตาขึ้นมาทันทีความเมตตาเกิดจากการกระทําของเราคือให้ ให้อภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ทำให้ผู้อื่นทุกข์กายทุกข์ใจให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่คือความเมตตาเกิดขึ้นจากการกระทำสี่อย่างนี้ถ้าเราอยากจะได้อยากจะมีความเมตตาก็ขอให้เราทำสี่อย่างนี้ไม่ต้องไปขอจากพระพุทธไม่ต้องไปอธิษฐานเพราะอธิษฐานนี่มันเป็นความปรารถนาแต่ความปรารถนามันไม่เกิดจากการอธิษฐาน มันเกิดจากการกระทําของเรายั้นเราต้องการอะไรเราต้องไปศึกษาดูว่าสิ่งที่เราต้องการเกิดจากการกระทําอย่างไรเราก็ไปกระทําอย่างนั้นเช่นอยากจะได้ต้นมะม่วงเราจะทํำยังไงอธิษฐานไม่ได้อธิษฐานว่าเดี๋ยวปลูกบ้านแล้วขอต้นมะม่วงมาขึ้นที่บ้านเราไม่ข <c ười of artists> ึ้นหรอกแต่อยากให้มะม่วงขึ้นก็ไปหาเมล็ดมะม่วงหาต้นมะม่วงมาปลูกสิพอปลูกแล้วเดี๋ยวต้นมะม่วงมันก็ขึ้นมาเอง ทุกอย่างเกิดจากการกระทำพระพุทธเจ้าบอกได้คำว่าอธิษฐานที่เราใช้กันนี้ก็ผิดจากคำอธิษฐานที่พระพุทธเจ้าสอนคำอธิษฐานที่เราใช้กันนี้กลายเป็นการขอกลายเป็นความปรารถนาขอนน่นขอนี่น อ, นอธิษฐานขอให้ได้ลูกขอให้ได้สามีภรรยาที่ดีอันนี้ก็เป็นการขอจะอยากจะได้ของดีก็ต้องรู้จักเลิกสิเ เราซื้อผลไม้เรายังเลือกเป็นไม่ใช่เลยดูผลไม้ผลไหนมันมันมันเน่ามันมีแผลมันมีอะไรมันเราเลือกได้เนี่ยคนดีคนไม่ดีเราก็เลือกได้แต่เราไม่เราเลือกไม่เป็นกันเลือกคนไม่เป็นเราไปเลือกที่ผิวมันเราไม่ไปเลือกที่เนื้อมันเราดูผิว้มันผิวมันดีแต่พอเราเจาะเนื้อเข้าไปโอ้เละเน่าข้างใน วิธีที่จะดูคนดีไม่ดีต้องดูที่ศีลธรรมดูที่จิตใจอย่าไปดูที่รูปนั่งกายนั่งกายสมัยนี้มันหลอกกันได้ไหมแม้จะเป็นผู้ชายมันยังแปลงเป็นผู้หญิงได้เลยนั้นต้องดูที่ใจอยากจะดูว่าดีไม่ดีนี่ต้องดูที่ใจดูว่ามีศีลห้าหรือเปล่าดูว่ามีพรหมวิหารสีหรือเปล่ามีเมตตากรุณามุฎิตาอุเบกขาหรือเปล่า มีการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีหรือเปล่าพูดปดหรือเปล่าเสพสุจจรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเที่ยวเล่นหรือเปล่านี่แหละคือเครื่องวัดคนวัดด้วยศีลธรรมไม่ได้วัดด้วยรูปร่างหน้าตาว่าโอนมีคิ้วสูงหรือคิ้วต่ำมีขนตายาวหรือขนตาสั้นอะไรทำนองนี้ อันนี้ไม่ได้เป็นเครื่องวัดคนดีหรือคนไม่ดีนะงั้นอย่าไปหลงไหลกับลูกรักลักษณะสมัย น, นี้มองกันที่ลูกอพอใครแต่งตัวแต่งอะไรเห็นปั๊บโอ้โหเหมือนกับเป็นเทวดานางฟ้าขึ้นมา ท, าทันทีหลงไหลข้างใครกันพอไปอยู่กินเงินถึงจะไปเจอเปรดเจอผีโผกมาคำถามฝากถามค่ะข้อแรกเราจะให้อภัย คนที่ทำให้เราไม่ชอบใจหรือคนที่ทําให้เราเสียใจได้อย่างไรคะก็อย่าไปโกรธเขาเถถือว่าอะไรก็ผ่านไปแล้วเขาพูดก็พูดไปแล้วเขาทําก็ทําไปแล้วคิดดูเวลาเราโดนฝนสาดเปียกเราไม่เห็นโกรธฝนเลยเพอใครสาดน้ําใส่เราหน่อยเรากโกรธแทบเป็นแทบตายทาั้งๆที่มันก็เป็น ตั้งๆทนี้มันก็ถูกน้ำเหมือนกันเปียกฝนเปียกน้าเหมือนกันแต่ถ้าเป็นฝนเราไม่ถือโทษมันแต่ถ้าเป็นคนนี่เราจะเอาเป็นเอาตายกับมันหรือถ้าเป็นคนที่เรารักเราก็ไม่โกรธมันแต่ถ้าเป็นคนที่เราเกลียดอยู่แล้วนี่พอมันมาทำให้เราเปียกหน่อยโอ้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นใหญ่ขึ้นมาฉะนั้นปัญหาของเราก็คือความรักชังเราอย่าไปชังคนอย่าไปเกลียดคน ถ้าเราไม่เกลียดเขาได้มันก็จะไม่โกรธเขาเขาทำอะไรถ้าเราลากเขานี่เขาทำอะไรแล้วมักจะไม่โกรธเขาแต่ถ้าพอเราเกลียดเขานี่แม้เขาไม่ทำอะไรก็ยังโกรธเขาได้ดัง <laughs> นั้นเราต้องมาแก้ที่ความเกลียดของเราต้องพยายามฝึกอยากเกลียดสอนว่าความเกลียดไม่ดีความเกลียดเป็นเหมือนอ่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์คาถามข้อสองค่ะ คุณพ่อบอกว่าผู้หญิงที่ไม่แต่งงานมีบาปเพราะตอนแก่จะไม่มีใครดูแลอันนี้จริงหรือเจ้าคะไม่จริงหรอกผู้หญิงไม่แต่งงานไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ไปพูดผิดประเวณีมันจะบาปได้อย่างไรคนที่แต่งงานก็แก่ไม่มีคนดูแลก็มีคนที่แต่งงานแก่แล้วไม่มีคนดูแลก็เยอะเช่นผัวแล้วเมียาตายไปก่อนก็ต้องอยู่คนเดียวอยู่ดี ขอให้มีเงินเถิดนับดองได้มีคนดูแลเยอะแยะคำถามจากคุณสุภกัญญาค่ะยายของโยมเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถมาฟังธรรมได้ด้วยตนเองถ้าโยมเอาเทปธรรมะไปให้ท่านฟังท่านจะได้อานิสงส์เหมือนมาฟังด้วยตัวเองไหมเจ้าคะเหมือนกันร้อยเปอร์เซนเลยเพราะเสียงพูดก็เสียงคนเดียวกันคําพูดก็คําเดียวกัน อยู่ที่คนฟังว่าตั้งใจฟังหรือเปล่าถ้าฟังไม่ตั้งใจฟังฟังแล้วใจลอยใจเหม่อมันก็ฟังไม่รู้เรื่องจะมาฟังที่นี่หรือฟังที่บ้านมันก็เหมือนกันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอยู่ที่การตั้งใจฟังหรือไม่ตั้งใจฟังคะคำถามจากคุณจันภาพระโชดานสามารถละสักยทิฏฐิได้ จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงแสดงว่าท่านสามารถแยกกายแยกจิตออกจากกันได้แล้วเกิดความเห็นใหม่ว่าจิตคือตัวเราที่แท้จริงอันนี้ถูกไหมครับก็มีส่วนการแยกกายแยกจิตก็จะรู้ว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละส่วนแต่มันจะรู้เดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยวพอมันออกจากสมาธิมาเดี๋ยวมันก็ลืมว่ามันกลับมารวมกันมันก็ มาอยู่ร่วมกันมันก็มันก็ยังกลับไปคิดเหมือนเดิมว่าร่างกายกับจิตเป็นอันเดียวกันเพราะนั้นเวลาออกจากสมาธิมาแล้วเวลาร่างกายกับจิตกลับมารวมกันตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเวลามันเจ็บเราก็อย่าไปทุกข์กับมันเวลามันเป็นอะไรก็อย่าไปกังวลกับมันดูแลมันไป ถ้าดูแลได้ก็ดูแลไปดูแลไม่ได้มันจะต้องเป็นอะไรก็ต้องปล่อยมันเป็นไปส่วนใหญ่มันจะลืมเวลาออกจากสมาธิมาับมันก็จะกลับมายึดมาถือว่าเป็นตัวเราของเราเหมือนเดิมถ้าเราไม่ใช้ความจริงมาคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยเื่เรียกว่าต้องใช้ปัญญาพอจากสมาธิมาก็ต้องเจริญปัญญาเจริญก็เรียกว่าจินตามยปัญญา ตอนต้นเราได้สุดธรรมยาปัญญาจากการได้ยินได้ฟังจากการได้ร่ำเรียนจากพระพุทธเจ้าว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราของเราพอเราไปพิสูจน์เราก็ไปนั่งสมาธิเราก็แยากกายกับแยกแยกใจออกจากกันได้ตอนนั้นเราก็จะมีความรู้สึกว่าร่างกายกับใจเป็นคนละส่วนกันแต่พอเราออกจากสมาธิมาปั๊บมันก็กลับมาเหมือนกับเมื่อคืนนี้เราฝันเรื่องอะไร พอเราเตื่นขึ้นมาเราลืมแล้วไะเร็วไหมเร็วนะเมืม่อคืนนี้ฝันอะไรบางทีพอเตื่นขึ้นมาปุ๊บไม่ถึงกี่นาะไม่ถึงกี่วินาทีลืมไปหมดนะกํ า, าลังฝันดีอยาจะกลับไปใหม่นึกไม่ออกแล้วกำลังฝันเรื่องอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่มันหายได้เร็วความรู้ที่ได้จากสมาธิก็เหมือนกันพอจิตแยกออกจากกายได้ในสมาธิมันก็รู้สึกว่าเป็นสองส่วนกัน แต่พอมันออกจากสมาธิมาปั๊บเหมือนตื่นเหมือนกลับเข้ามาในร่างกายปุ๊บมันลือบไปละมันก็เริ่มคิดเหมือนเดิมเพราะมันก็อยากกินอยากนู่นอยากนี่ตามร่างกายทันทีร่างกายหิวก็อยากกินกับร่างกายมันก็เลยกลายเป็นเรากับร่างกายยังเป็นอันเดียวกันอยู่นั้นเราต้องคอยมาห้ามมาสอนใจว่าเรากับร่างกายไม่ใช่เป็นอันเดียวกันถ้าเราอยากกินอะไรแต่ถ้าร่างกายมันยังไม่ถึงเวลากินก็อย่าไปกิน คนกินไม่ใช่เราคนกินคือร่างกายเนี่ยมันยากตรงนี้มันยากตอนปฏิบัติแยกร่างกายกับแยกใจใครกินกันแน่ถามดูที่เวลากินเนี่ยร่างกายกินเรือใจกินใจไม่มีท้องไม่มีปากจะกินได้ไงคนกินก็คือร่างกายแล้วเมื่อร่างกายมันมีอาหารเต็มพุงอยู่แล้วยังอยากไปอยากกินทำไมถ้าอยากกินนะใครอยากอัใจอยากแต่ใครกินน่ะ น่างกายกินเก็ต้องแยกออกด้วยปัญญาอย่างอยากินอยากพึ่งกิ น, อกกนตอนนี้น้ําหนักเกินอดได้สามวันห้าวันไม่ตายอดแบบพระพุทธเจ้าดูให้มันเหลืออหนังหุ้มกระดูกก่อนแล้วค่อยกินเอตอนนี้มันมีแต่เนื้อหนังหุ้มกระดูกมองไม่เห็นกระดูกเลยเไม่ต้องกินก็ได้ถ้าร่างกายมันน้ําหนักเกินเนี่ยอดไปกินเดิมแต่น้ําก็อยู่ได้ ดีซะอีกต่อไปร่างกายมันก็ด้ได้เป็นขวดตอนนี้มันเป็นตุ่มอยู่ อ, อ น, นี่แหละคือการแยกกายแยกใจตอนที่ออกมาถ้าไปแยกเฉพาะตอนสมาธิมันแยกปั๊บเดียวแล้วพอออกมามันไม่ยยกมันกลับดูดกันเป็นอันเดียวกันพอละพอใจอยากกินก็ให้ร่างกายกินกินเอากินเอา กินจนกระทั่งร่างกายเป็นตุ่มจนมีโรคภัยไข้เจ็บเห็นไหมจนกระทั่งต้องให้กรรมการมาห้ามใครเป็นกรรมการก็หมอนี่แหละหมอบอกโยมเบาหวานขึ้นแล้วนะ ส, สามร้อยแล้วนะความดันขึ้นแล้วนะไออขมันขึ้นแล้วนะออต้องมีกรรมการมาบอกถึงจะมาหยุดเรื่องความอยากกินได้ แต่คนอยากกินผู้อยากกินก็คือใจผู้กินก็คือร่างกายเราต้องมาแยกแบบนี้เ ร, เราถามว่าตอนนี้ร่างกายต้องการกินหรือยังถ้ายังไม่ต้องการกินเพ่อหมอบอกมันเกินแล้วเนี่ยต้องรอให้มันลดลงมาก่อนรอให้น้ําตาลมันลดลงมาเหลือร้อยหนึ่งก่อนรอให้ไขมันมันลดลงมาก่อนรอให้ความดันมันลดลงมาก่อนแล้วก็ให้มันกินอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าแยากกายออกจากใจตอนที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิ ถ้าเราแยกอย่างนี้ได้ต่อไปเวลาร่างกายเจ็บล้วก็บอกเออมันใครเจ็บละ่ะ เ, เราเจ็บหรือหรือร่างกายเจ็บร่างกายเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปถ้าเราทำให้มันหายไม่ได้เราไม่ต้องไปเจ็บกับมัน เ, เราก็รู้เฉยเฉยนี่คือวิธีปฏิบัติมันต้องปฏิบัติกับเหตุการณ์ไม่ใช่มานั่งคิดเฉยเฉยก็ไม่พอ เวลานั่งคิดเฉยเฉยยังไม่ตอนที่ตอนนั่งเฉยเฉยอย่างนี้คิดได้ว่าเราไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายไม่เป็นเราแต่พอเวลาเกิดความอยากกินขึ้นมาคิดได้หรือเปล่าพราใครกินร่างกายกินหรือเรากิน เ, เราอยากกินแต่ร่างกายมันมันมากมันมีอาหารมากเกินไปแล้วมันไม่ต้องการอาหาร เ, เราก็ต้องอยากกินอยากไปให้มันกิน ให้กินทางใจไปดูผ้าบาหารไปแล้วก็เคี่ยวมันไปในใจว่าตอนนี้กำลังกินอาหารชนิดนั้นชนิดนีอ้อย่างนี้ถ้าอยากกินให้กินแบบนั้นน่าจะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายคำถามฝากถามคะ่ะตอนนี้มีปัญหาชีวิตครอบครัวสามีมีหญิงอื่นทำให้มีความทุกข์ใจมากกราบขอเมตตาพระอาจารย์ชี้แนวทางคะ่ะก็ห้ามเขาได้หรือเปล่า ถ้าไม่ให้เขาไปมีคนอื่นได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้จะทำยังไงแล้วเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาสิเขาปล่อยเขาไปถ้าเราไปอยากให้เขาไปห้ามเขาแล้วห้ามไม่ได้เราก็จะเสียใจทุกใจเนี่ยแหละคือปัญหาเวลาเวลาเลือกคนไม่เลือกไม่ดูว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนมีศีลหรือไม่มีศีลแต่ถึงแม้ตอนนั้นจะมีศีลแต่ต่อไปเขาอาจจะไม่มีก็ได้ อนาคตไม่มีใครรู้งั้นวิธีที่จะทําให้เราไม่เสียใจก็คือเราต้องเผื่อไว้คิดว่าต่อไปเขาอาจจะต้องทําบาปก็ได้เขาอาจจะเบื่อเราเขาอาจจะไปเจอของใหม่ที่ดีกับเราก็ได้เรามันเป็นสนิมแล้วเขาไม่เหมือนรถใหม่รถใหม่นี่สวยวับเนีแต่รถเก่านี่สนิมขึ้นเนี่ยเขาขับรถเก่าแล้วเขาก็เบื่ออยากจะลองขับรถใหม่บ้างอ นี่คือปัญหาของการมีมีครอบครัวมีคู่คร อ, ครองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อยู่เป็นโสดไปดีกว่าแต่ถ้าเราอยากจะมีคู่ครองอยากจะมีครอบครัวเราก็ต้องยอมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ก็คือเราต้องซื้อประกันภัยซื้อประกันความทุกข์ประกันความทุกข์คืออะไรก็ต้องคิดอยู่บ่อยๆว่าไม่แน่นะเขาจะไปเมื่อไหร่ก็ได้นะเขาจะมีเมื่อไหร่ก็ได้ ให้คิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆพอเขามีขึ้นมาเราก็จะได้ไม่เสียใจเพราะเรารู้ว่ามันเห็น ไ, ไม่แน่อย่างที่เราคิดไหมอย่างนี้แล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราก็จะไม่เสียใจคำถามจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วผลจากการปฏิบัติทำให้รู้สึกไม่ยินดีในสิ่งที่ชอบเหมือนเหมือนก่อนเช่น เราชอบโลกใต้ทะเลเห็นแล้วมีความสุขมากแต่ตอนนี้กลับรู้สึกเฉยๆมีความสุขอยู่กับการได้นั่งดูลมเฉยๆแต่ต้องเฉยกับสิ่งที่ไม่ชอบด้วยอย่างนี้ถูกไหมเจ้าคะทุกอย่างะ่ะต้องเฉยกับทุกอย่างชอบก็เฉยไม่ชอบก็เฉยรักชังกลัวหลงนี่ต้องเฉยหมดไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง วิธีที่จะทำให้มันเป็นอย่างนี้ได้อย่างแท้จริงโดยแบบที่ไม่ต้องไปบังคับก็คือต้องฝึกนั่งสมาธิทำใจให้เป็นอุเบกขาให้ใจสงบถ้าใจสงบแล้วใจจะเป็นอุเบกขาความรักชังกลัวหลงนี้จะหายไปถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาถ้าเฉยบางทีมันก็เป็นเฉยแบบกดไว้พยายามกดไว ชอบพยายามกดไว้ไม่ชอบไม่ชอบแต่พยายามกดไว้เผลอไว้เห็นกระเป๋บาบอไม่ชอบไม่ชอบไม่อยากได้มันจะกดได้นานเท่าไหร่เดี๋ยวพอเผลอปับ๊บมันผุดออกมาปั๊บวิ่งกลับไปที่ร้านซื้อทันทีเนีห็นต้องคอยดูถ้าถ้าเฉยแบบกดนี้มันจะยังไม่ไ ม, ไม่แน่นอนบางทีกําลังกดเราเยอะมัน ก, มนก็มันก็เฉยได้แต่พอบางทีกําลังกดมันอ่อนแรงลงเมื่อไหร่ กำลังชอบกำลังอยากมันจะดันออกม า, างั้นวิธีที่จะทําให้เฉยแช่เฉยจริงนี่ต้องฝึกสมาธิต้องฝึกสติเหมือนควบคุมความคิดเหมือนควบคุมความอยากอย่าปล่อยให้มันคิดอย่าให้มันอยากให้มันพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเวลาเกิดความชอบเกิดความชังขึ้นมาก็พุทโธพุทโธหยุดมันไปคําถามจากคุณอนณาปา การภาวนาแบบลืมตากับหลับตาได้อานิสงส์งเท่ากันไหมครับไม่เท่าหรอกการลืมตานี่จะไม่ได้ประโยชน์มากนะเพราะจิตจะไม่เข้าข้างในจิตยังค้างอยู่ที่รูปอยู่เพราะตามันไปเห็นรูปนะการภาวนานี่ต้องการดึงใจเข้าข้างในดึงใจออกจากรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆอะไรต้องปิดตา แล้วก็ไปอยู่ที่เสียงไม่มารบกวนมาเดินใจออกไปส่วนกลิ่นกับรถมันไม่ค่อยมีมันจะมีเฉพาะช่วงที่เราไปอยู่แถวโรงครัวในเวลานั่งสมาธิอย่าไปนั่งใกล้โรงครัวอย่าไปนั่งใกล้ร้านอาหารต้องไปอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสเขาถึงมากจะเลือกไปอยู่ตามป่าตามเขากันไปอยู่ที่สงบสมัยนี้เราสามารถสร้างที่สงบ ได้ด้วยการเข้าไปอยู่ในห้องปรับอากาศก็ได้เข้าไปในห้องปรับอากาศอยู่คนเดียวปิดห้องเสียงก็ไม่เข้ามารบกวนตาเราก็หลับต้องปิดตาใจถึงจะเข้าข้างในได้การภาวนาเพื่อดึงใจเข้าข้างในดึงใจออกจากลูกเสียงจกลรอดนี่อจึงต้องปิดตาอันนี้ยาวค่ะอาจารย์คำถามจากคุณพิทักษ์ในช่วงของการภาวนาผมดูลมหายใจ โดยใช้คำบริกรรมพุทโธกำกับไปด้วยภาวนาโดยมีความรู้สึกว่าลมหายใจเริ่มเบาลงและลมเริ่มละเอียดไปเรื่อยๆตามลำดับจนถึงช่วงหนึ่งเหมือนคำบริกรรมพุทโธจะหายไปแต่ก็สามารถใช้ลมเพื่อรักษาความสงบที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นต่อไปได้จนจิตสงบไม่มีเรื่องราวความคิดปรุงแต่ง ใ, ใดๆเกิดขึ้น แม้ในขณะนั้นจะมีความรู้สึกว่าร่างกายของตนโน้มมาข้างหน้าก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับอาการนั้นคิดว่าร่างกายจะอยู่สภาพไหนก็เรื่องของมันจิตก็อยู่กับความว่างสงบแบบนี้ได้เป็นเวลาสมควรไม่มีสัญญาใดๆเกิดขึ้นสังขารก็ไม่เกิดขึ้นเวทนารับรู้ได้แต่ก็วางเฉยได้วิญญาณไม่รับรู้ได้ในขณะนั้นเพราะจิตจดจ่อ คอยรักษาความสงบของจิตในเวลานั้นขณะเดียวกันหากเกิดความคิดใดๆขึ้นมาก็สามารถรับรู้ได้ทันทีว่าเป็นเรื่องที่สั ง, สงขารมโนขึ้นมารับรู้แล้วก็ดับไปกลายเป็นความเข้าใจแก่ตนเองว่าสิ่งเหล่านี้มีเกิดและดับอยู่ตลอดเวลาผมสงสัยอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าจิตที่ผมเจอในสภาพว่าแบบนี้จิตแค่อยู่ในความสงบหรือ จิตนี้เข้าสู่สมาธิแล้วครับแล้วความเข้าใจที่เกิดขึ้นกับตนเองในเรื่องการเกิดดับเป็นขั้นปัญญาหรือเปล่าครับถ้ามันสงบเต็มที่มันจะไม่มีอะไรเลยมันจะว่างแต่ถ้ายังมีความคิดมีความรู้สึกนึกคิดอะไรอยู่นี่มันก็ยังไม่สงบเต็มที่ก็ยังไม่ได้เป็นสมาธิยังไม่ได้เป็นวิปัสสนายังเป็นความคิดปรุงแต่ง สเปสะปะไปถ้าวิปัสสนานี้มันจะคิดเป็นเรื่องๆไปฉะนั้นก็ยังเถือว่ายัางไม่สงบเมื่อไม่สงบเต็มที่การคิดปรุงแต่งการอะไรต่างๆก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่คนจะภาวนาต่อไปคนอยากอย่าหยุดคนจะดูลมต่อไปหรือไม่งัพุทโธต่อไปจะดีกว่า คำถามจากคุณสายไหมสายไหมค่ะคู่บุญคู่บารมีสังเกตยังไงคะต้องมีศีลเท่ากันใช่ไหมคะจึงจะได้พบเจอกันก็อยู่ด้วยกันได้ก็เป็นคู่บุญคู่บารมีถ้าอยู่อยู่กันไม่นานมันก็ไม่ใช่ก็ต้องดูเ็าเรียกว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาก็ต้องดูไปเรื่อย อย่าไปสนใจว่าเป็นคู่บุญคู่บา ร, รมีหรือไม่อาจจะเป็นคู่กรรมก็ได้ตอนต้นอาจจะเป็นคู่บุญแต่ทำไปทามาเอากายเป็นคู่กรรมคู่กัดกันไปต่อไปก็ได้งั้นต้องใช้เวลาดูไปเรื่อยๆอย่าไปกังวลว่าจะเป็นคู่บุญคู่กรรมหรือคู่กัดก็ถ้ายังอยู่กันก็อยู่กันไปอันนี้ไม่ไม่ต้องไปกังวลจะดีกว่า อยู่กันได้ก็อยู่กันไปอยู่กันไม่ได้ก็แยกทางกันไปบนหมดแล้วใช่ไหมมีคำถามค่ะอาจารย์คำถามสุดท้ายแล้วกันจิตที่เป็นโสดาบันเป็นอย่างไรเจ้าคะเราจะรู้ได้อย่างไรแล้วมีวิธีฝึกอย่างไรจิตที่เป็นโสดาบันจะรู้ว่าขันห้าไม่ใช่ตนจะรู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสภาวะธรรมไม่มีตัวตนเกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนดินฟ้าอากาศ เหมือนฝนตกแดดออกนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้นะร่างกายมันจะเจ็บมันจะไม่เจ็บก็ไปสั่งมันไม่ได้จะแก่หรือไม่แก่ก็สั่งมันไม่ได้มันจะตายหรือไม่ตายก็สั่งมันไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันเราคือผู้รู้นี้ไม่ได้เป็นมันเราเพียงแต่มารับรู้มาอยู่กับมันชั่วคราวแล้าก็ปล่อยวางมันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน